กันถึงเรื่องด้านภาวนากันดีกว่าคือว่าในไหนแล้วก็จะต้องตั้งใจภาวนากันอยู่แล้วคัดภาวนากันอยู่แล้วการภาวนาเป็นของทำง่ายเพื่อไม่ต้องชักชวนคนอื่นทำเมื่อไรก็ได้แต่เป็นการยากที่อุบายในเพียงพอ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 ไปลังเลสงสัยแล้วจะไปคาาเะนีเอาไปจุบวันจิตที่ตั้งมั่นลงจะเอาะในปัจจุบันกลววไปทือยวิจาณาไปดอาการต่าที่สองสนุกใหญ่เกิดเลยถ้าลงในปัจจุบันก็เกิดอิอ่มอกอิม่มใจ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 แห้ยังทัง้งตั้งเาของไซดเลยจะแท้ที่จริงในขณะที่เราพิจารณาเรายังมไม่าตกยังเป็นคนอยู่กระดูกก็ยังมีเนื้อหุ้มยังมีเยื่อหุ้มอีกกิ น, นเรียกได้ว่าตั้งขูยตรงมันติดกันกับกระดูกต่อเนื้อปัญหา น, นั้นแหละงานธรรมดาเป็นอยางา น, นรงจริงในเวลาเราไปเห็นในเวลาพ น, นันมันไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs>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 ก็หมายความว่ามีคนหนึ่งไปเห็นกระดูกที่ว่ากระดูกนั่นเป็นเป็นรูปผู้ไปเห็นนั่นเป็นนามคล้ายกับว่าเราเห็นอะไรก็ตามทังคืงออที่อยู่ภายนอกเนีย่ยเราเป็นมองดูในสิ่งที่เราเห็นผู้เราเห็นมีนั่นสิ่งที่เรามองมีถ้าอย่างนั้นก็เห็นอันนี้มันจริงเป็นของ จะจับถ้าไม่เกิดความปุ้นปีติอิมโวิจใจนี่เนี่ยการพิจารณาตายเมื่อยังว่าฉันเห็นจิตให้บบแท่งพิจารณาลูกสะก่อนถ้าลงในปัจจุบันดังอธิบาเยเนี่ยคือว่าเราไม่คิดอยากจะให้เห็นละหรือว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ตตองจิต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 ทำไม่ขอสิกันการเห็นแบบนี้เป็นเหตุให้พยายาในการทำความเพียรภาวนาไม่ที่เสียที่พาดภาพที่เราเห็นปรากฏนั้นเรียกว่าเห็นด้วยภนนิมิตีภาวนายังไม่ได้จัดเชื่อวปัญญาแท้นะคนไปเถือนนี่เป็นปัญญายัางใช่ไม่ได้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 คำว่าหายคำว่ามีที่นหมายความว่าจิตมันไปอยู่กับอารมณ์ที่เราเห็นนั่นภาพที่เราเห็นน่นมันก็หายไปเฉ ย, ยแต่ไม่ใช่มันหมดตอนนี้จริงว่ามันปัญญายังไม่เกิดแต่เป็นได้ภาพนิดให้เราไปติดเยอะ น, น, น, น, นั่นนี่ก็ละนิวนหางที่สอดใ้ยาาก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 นี่ความพุ่งปีติอิ่ ม, มอกขินใจนั่งพรอาไมอยกไม่อยากจะออกอยู่ทั้งวันในตลอดคืนตั้งไหนอยู่ได้อุทกใจกุศจะพุ่งซ่านก็ไม่มีจิตนี่นไปอยู่นในนามีพุ่งไปไหนมีจิตฉาความลังเลในการทำความเปลี่ยนภาวนาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะ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 <c oughs> เมื่อนิวนห่าหายไปคนลองกะบอกภาละที่นหนักเพระนิวนหาเมื่อนิวนห่าหายไปตัวคนนั้นนะครับคงมสงมกเยือกเย็น แต่แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปไม่แก่จะเปียนเท่านั้นวิจาณาคันหาดังอธิบายมาแล้ววิจารณาลูกพิจาณาเวทนาสทญญาสัีนขาเทิย ญ, ญาให้เห็นเป็นไตรลักคือเห็นเป็นในแจงทุกขงาาังต่างๆมีเครื่องอยู่ เราพิจารณาเห็นอันนี้แจงทุกขังนาคาเราก็จะไปชอบ อ, อกชอบใจถ้าเกิดความปีติอิ่มอิมอ่มอิ่มกใจในเรื่องนั้นอีกในการที่เราเห็นแต่ก่อนเราเพียงแค่เราพูดเรานึกเอาี่สิเพอพิชิตตวงนั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนึกคิดเป็นเรื่องเห็นเองชัดเจนด้วยจิตเลย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 ตงนอ่นตรงนี้อขาก็ไม่แหบวบเห็นจิตชัดเลยค่ะนีตรงนั่นหละจะเห็นจิตเป็นตัวถึงจะไม่เป็นตัวกระช่างไม่ปรากฏดียวเอามาแสดงคนอื่นเห็นก็ตามแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขามีตัวถ้าเหตุที่มีตัวนั่นแะ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 ถึงแม้จะแวะไปนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ไม่ไปไม่แทําเรื่องทำราวอะไเกิดเพราะมันมัวเมา จ, าจืดจยอดเฉพาะเรื่องยิ่งขังหีห่างกกไกลหยาบละเอียดมันก็ข้าประกองยู่เฉพาะอ้เรื่องนี้พูดถึงเรื่องภาว น, นา